วงเพิ่มข้งซิ้งเยอะใใช้ก็จะเห็เออเนี่ยเฮ้ยเข้ากระโดดมากเลยนะเดี๋ยวถามส่วนตัวนิดหนึ่งหนูเรียนธรรมะจากไหนยางไงมามั่งแต่ที่ไปแบบนูเข้าไปในระดับอุดมศึอษานีพอนะว่าก็คือเป็นแต่ว่าถ้าไม่เห็นธรรมก็จะไม่สนใจอารหนูดูเยอะมากเลยเดีก็เลยด อาจารย์ยบอกว่าหาพระอาจารย์เลยก็ติดแค่อย่างเดียวทีนี้พอพระอาจารย์เขาตื่ให้ก็ไม่เีเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยกดล็อกเลยอวิชามันบังนิดเดียวแค่นั้นแหละมันบางมันบางนี่พอให้หาพระอจาที่ที่มีใจจะเข้าใจจริงเพราะว่าทําชท่านเกิไม่หมือเวลาไม่ได้อเห็นาอย่างอออ ทอาจารย์เี่เนแล้ววันนั้นก็แปลกนะเราทำวัดเสร็จทำวัดเย็นอ่ะก็จะเดินลงบันไดข้างในตรงทางขึ้นอ่ะไอทางวางรองรองเท้าอ่ะนะโยงก็มาวู้วโยงพูดว่าอะไรนะะอาจารย์ไมโอวัเขาอืมแล้วยงรู้ข้อมูลอะไรมาอย่างไงไหมไม่เคยไม่เคยอือแล้วดูดีมาหาทถึงอ ก็เรียนเยอะพอดีคุณก็ อ, อยู่เพิ่งมาใหม่แล้วพี่ก็เลยไม่รู้จะไปหาใครใ้คุณฟังแบบ น, นี้เลยคือภาษาจังหวัดนั้นแล้วก็วันนั้นที่พูดเนี่ยเราพูดแบบในภาพรวมแล้ววันนั้นที่พูดในภาพรวมคือให้เห็นธรรมชาติของกายของใจนะให้รู้จักธรรมชาติเพราะกายกับใจก็คือธรรมชาติเนี่ยเป็นธรรมชาติตวันนั้นให้เรียนรู้ธรรมชาติ อย่าไปต้องเรียนรู้มากหรอกถ้าข้างนอกเราเรียนมันไกลใช่ไหมเอากายเอาใจมาเรียนรู้ว่ากายใจมันเป็นยังไงแล้วมันก็แสดงความจริงให้เห็นอยู่แล้วเรื่องความไม่เที่ยงนะกายไม่เที่ยงเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเดี๋ยวยืนเห็นไหมมันไม่ได้อยู่กับที่แล้วก็อาการในกายเนี่ยมีความเจ็บความปวดแปรปวนอยู่ตลอดอ่ะในใจนะความรู้สึกในใจอ่ะความสุขความทุกข์ความเบื่อความเซ็งชนิดต่างๆมันก็มีอยู่แล้วก็ล้วนแต่แปรปวนนะทีนี้ในเมื่อสิ่งเนี้ยมัน เป็นความไปปวนอย่างนี้เขาเรียกว่าธรรมชาติมันเป็นของไม่เที่ยงไม่เที่ยงรวมทั้งมันมีความบีบคั้นในตัวของมันคือทําให้แตกสลายคือต้องแตกดับมาแล้วแน่ๆก็คือบังคับมันไม่ได้มันต้องเป็นไปอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงของธรรมชาติพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านพบธรรมชาติอันแท้จริงแล้วท่านจกงสอนว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยอย่าไปหลงยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราเมื่อสิ้นยึด ก็เหลือแต่ธรรมชาติที่แปรปรวนอยู่อย่างนี้ร่ําไปเรื่อยไปจนกว่าจะสิ้นลมหายใจนะแต่อันนั้นมันก็เป็นธรรมชาติฝ่ายปรงแต่งมันก็เป็นอย่างนั้นก็ถูกแต่เมื่อไม่มีตัวเราไม่มีอวิชชาที่จะไปหลงยึดอีกแล้วเนี่ยมันจึงพ้นมาจากธรรมชาติฝ่ายปรงแต่งทั้งหมดพ้นแล้วเมื่อพ้นแล้วธรรมชาติเกิดดับเกิดตายไปแต่เมื่อจิตหลุดพ้นเนจิตที่มีปัญญาเนี่ยจิตที่ไม่มีอวิชชาบังแล้วเนี่ยก็หลุดพ้นก็สิ้นทุก ไม่มีผู้ทุกข์แต่ร่างกายก็คือเป็นทุกข์มันก็แตกตายไปแต่ผู้ทุกข์ไม่มีเมื่อผู้ทุกข์ไม่มีมันก็จบแค่นี้แหละสิ้นยึดจบแล้วเราก็พูดสั้นๆแบบนี้หนูก็ร้องโง่เลยะ่ะเราก็แต่เห็นคนอื่นมาเยอะแล้วความธรรมจากครูบาอาจารย์เนี่ยที่แบบอย่างนี้เราเห็นมาเยอะแต่เราไม่เคยเจอใครกลับมาโหกับกับอาตมาเนี่ยนี่คนแรก เราบอกว่าโอ้ขอสาธุด้วยนะที่เข้าใจคนคื้นคนรูของอาจารย์จเก็ตเลยจะรูเรองเลยแบบชบซื้อได้ของมันของแต่ถ้าคนไม่มีฐานมันไปไม่ได้กูใจก็เลยนี่แหละว่าปัญญาของคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะบางคนเนี่ยต้องอธิบายขยายความเยอะ บางคนพูดรอบเดียวรู้เรื่องมันก็เป็นธรรมดาที่เขาเรียกว่าบุญบารามีวาสนาที่สะสมมาถึงไหมไหมล่ะพระพุทธเจ้ า, จา ก, ก็สอนตั้งแต่เรื่องให้ทานรักษาศีลเนาะภาวนาเนี่ยเนี่ยผ่านมาหมดแล้วเออไม่รู้ชาติรุนน่นหายใจชาติเนี่ยมันก็เข้าใจง่ายทีเนี้ยไม่มีอะไรหรอกฟังหนูเนี่ยเอาปัญญาเนี่ยปัญญาที่ฟังแล้วเข้าใจเนี่ยเอาปัญญาไม่ใช่ตลอดเห็นทุกอย่างเป็นสังขารหมด เป็นสังขารไม่เที่ยงอะไรก็ตามภายนอกภายในเนี่ยมันก็เป็นสังขารนะสังขารในที่นี้คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่เที่ยงนะนะที่มันแปรส่วนนะเห็นข้างนอกทุกแค่นิดแปรส่วนหมดไม่มีอะไรคงที่ในกายในใจนี้ก็ไม่มีอะไรคงที่หมดเกิดดับหมดนะแล้วก็รู้ได้รู้ได้ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกรู้เนี่ยคือใจรู้ละ่ะอ่าแล้วสุดท้ายไม่ยึดถืออะไรทั้งหมด สังขารทั้งปวงก็ไม่ยึดไม่หลงแล้วว่ายึดว่าเป็นเราของเราแม้กระทั่งใจที่เป็นผู้รู้แจ้งรู้จริง่ะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะรู้โลกรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยรู้เก่าวิถีรู้หมดแต่ก็ไม่ได้ยึดใจว่าเป็นของเราสิ้นยึดถ้ามันแัดหลงไปยึดเมื่อไหร่มันจะรู้เร็วรู้ทันเพราะว่ามันความจําได้ไงว่าหลงเป็นยังไงรู้เป็นยังไงมันจะรู้เท่าทันเพราะนั้นปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ต้องไปกําหนดรู้หรอก คือปกติธรรมดาเลยสบายบาหวิวเลยถ้าไปกําหนดรู้เนี่ยมันก็เริ่มอนุบาลอีกแล้วแต่จะทําเล่นๆก็ได้่ะจะนั่งยกมือก็เล่นๆก็ได้เออมัน ก, มนก็มันมีผลบางการทําให้เกิดสมาธิจิตตั้งมั่นอะไรก็ว่าแต่ถ้าปัญญาขั้นเนี้ยเอาอย่างนี้เลยนะอุปมาเหมือนกับว่ามันมีความจำขึ้นใจเลยว่าการที่ไปไปเอาของเขาที่ไม่ใช่ของเราอะนะเขาเรียกว่ารักของเขาเนี่ยสือว่ามัน มันมันเป็นปัญญาที่ชนิดขวางใจไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นมันรู้ได้ทันทีว่าอันเนี้ยของเราหรือไม่ใช่ของเราถูกไหมทีนี้ถ้าไม่ใช่ของเรามันรู้เนี่ยมันก็ไม่เอาอ่ามันเด็ดขาดเลยมันรู้เร็วมันไม่เอาเลยทีนี้ก็เหมือนกันพอรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยพอทํำท่าจะหลงไปยึดปั๊บมันรู้เลยอ่ะมันรู้เลยมันก็ไม่เอามันถอนขึ้นมาคือไม่ยึดไม่ถือเพราะนั้นเนี่ยมันมันเหมือนกับว่าสติตรงนี้มันเป็นสติปัญญามันเป็นมันเป็นขั้นสูงแล้วเป็นสติเปัญญา ทำให้ไม่ทัดหลงไปตกเป็นอะไรไปยึดในสิ่งที่มันมันไม่ใช่เราอะมันรู้เร็วะฉะนั้นอย่างนี้็ก็สบายไยใช่มยิ่งฟังมากๆ ม, ม, มากเนี่ยได้แค่ฟังหลอกรูปแบวการปฏิบัติไม่จำเป็นแล้วใช่ไพอใครพูดอะไรเรื่องอันนี้จังทุกขังอนัตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยโอ้ึงแล้วก็แบบเบิกบาแล้วเนี่ยเป็นผู้เตือนเงยงไปไงนั้นมันจะไม่หลง ของโยมเนี่ยมันไม่หลงนี่หลงทำไมหรอก็ไม่ใช่ของเราอะไรก็ไม่ใช่ของเราเนี่ยหลงทำไมอ่ะต่อให้มันโศกเศร้าเสียใจใช่ไหมก็ก็รู้อยู่มันเป็นสังขารน่ะไม่ใช่เราอ่ะเออเสแบบว่ามันคนมันไม่หล่ะเนี่ยเออเอาไม่รู้แหละระดับ้นตอนนี้ี่เราเราฟัะดับอาจารย์เนสอนแบบที่อาจารย์เนนเรื่องเขาเขาเป็นใช่จมือเหมือนอย่างเหมือนแบบฟังรู้เลยเออรู้ถ้า สอนกับาี่เขาไม่รู้เนี่ยประเด็นีเนี่ยที่จริงอยงอมรู้ตว่ามีปัญญาแต่ไม่ทำจริงกิเลมันจะมามตัดหน้าปญญาทุกทีเลยมีความไม่เสถียรกตัดทีเลยัม <c oughs> ่จรินะ ง, ดงเดี๋ยวก่อนอธิบายทีกิเลสคืออะไรในความรู้สึกของโยมเคือความนักความโลภโกรธหลงที่ยังยังมีอยู่ เออก็ของมีไงถูกแล้วไงไก็เรียนรู้เรื่องของมีแล้วก็ไม่หลงใช่ไหมไม่หลงในของมีว่าเป็นเราว่าเป็นของเราก็บอกมันมีก็รู้ว่ามีไงกิเลสมีก็รู้ว่ากิเลสแต่อย่าไปทําตามแค่นั้นแหละอย่าไปแบบอะไรหนะักเขาเรียกว่ารู้เท่าทันอยากฝึกอยากอะไรต้องฝึกไงรู้จักกิเลสใช่ไหมรู้จักกิเลสแล้ว อ, อ๋อนี่มันกิเลสแล้วกิเลสมันส่งผลอะไรทําให้เป็นทุกข์ต้องเห็นโทษของมัน ถ้าเข็ดนะเห็นโทษนะไม่กล้าทําหรอกเหมือนจับของร้อนแหละไม่กล้าจับเออไม่กล้าจับแต่นี้ก็กไอ้มันเข้าใจเหรอไอ้เข้าใจก่อนคือให้เห็นก่อนทุกอย่างในการจะวางได้ปล่อยได้ต้องเห็นถูกไหมบทสวดบนต์เหนไหมต้องเห็นว่ามันเป็นสังต้องเห็นว่ามันเป็ น, เ ป, นเป็นทุกข์อันนั้นนะบุคคลใดเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารไม่เที่ยงก็จะเกิดเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงเห็นไหมต้องเห็นมันก่อนเออ เดที่ทีนี้ถ้าหนูเข้าใจขั้นนี้แล้วนะหนูเดินปัญญาอย่างนี้เลยเนาะแล้วก็อย่าไปแวะข้องเกี่ยวกับกับอะไรอีกที่มันมันไม่ใช่ทางเพื่อนิพพานนะ ไม่ต้องไปแกล้งเกียวโว้ยเราก็พูดไม่ออกกันตื้นตันเพราะว่าเขามีปัญญามากแล้วเนี่ยแล้วก็อย่าไปพัดหลงพัดหลงไปหาอะไรที่เป็นภาระเป็นอย่างงี้อ่งงี้ไปทางคนเดียวเลยนี่พานะทางคนเดียวมีอะไรก็ไม่ไม่แบกไม่ถือตัดที่ใจตัดที่ใจแต่หน้าที่มีก็ทำไปหน้าที่ดูแลพ่อแม่มีก็ทำไปแต่ตัดที่ใจคือไม่ยึดถือ ไม่ยึดถือว่าคือไม่ยึดถือให้เกิดทุกข์เกิดโทษให้เพียงแค่รู้ว่าอันนี้มันเป็นพ่อแม่เป็นสิ่งสมมุติมีหน้าที่ก็ดูแลไปแต่ใจเนี่ยขาดสนิทไม่ไม่ยึดถืออ้อคนี่แหละครอบครัวก็ทำหน้าที่อย่างเดียวทำหน้าที่เพราะถือว่าอันนั้นมันเป็นหน้าที่แหละถูกไมแต่ใจเนี่ยต้องไม่ยึดเพราะใจเนี่ยมันได้แต่รู้อยู่แล้ว ได้แต่รู้ว่าเป็นอย่างนี้ไม่ยุือาาาขาดให้ขาดเสมบ